พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่13าพระสูตรที่47ิเจ็ธนัญชานิสูตรสูตรว่าด้วยธนัญชานิกรามพระผู้มีพระภาคประทับณเวลุวันารามใกล้กรุงราชคฤห์สมัยนั้นท่านพระสาวรีบุตรจาริกไปในชนบททักขีนาคิริคือภูเขาทางใต้พร้อมด้วยภิกษุสงหมู่ใหญ่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 แล้วไปเกิดในพรหมโลกเมื่อพระสาวรีบุตรไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคและเมื่อตรัสถามว่าเมื่อยังมีกิจที่จะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปเหตุไฉนจึงแนะนันชาณิราหม์ให้ตั้งอยู่ในพรหมโลกอันต่ำซามแล้วหลีกไปซะพระสาวรีบุตรกราบทูลว่าเพราะท่านคิดว่า พวกพรามน้อมจิตไปเพื่อพรมโลกโดยมากพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าทนา น, านิพรา์ถึงแก่กรรมไปเกิดในพรมโลกแล้วพระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่13พระสูตรที่48วาเสษถาสูตรสูตรว่าด้วยวาเสตมานก